เป็นธรรมะชีวิตวันหนึ่งคืนหนึ่งรู้ว่าเป็นการาสร้างลายาติธรรมเลยชีวิตวันหนึ่งคืนหนึ่งเราอาจจะตายในเวลาใดเวลาหนึ่งก็ได้นะมีโอกาสต า, ตายได้ทุกเวลาในช่วงวันหนึ่งคืนหนึ่งเพราะนั้นยะติธรรมที่ยังมีความทุกข์อยู่เนี่ยก็ขอให้นเอาการเจริญสติมาใช้ในชีวิตประจาวันทำไปเรื่อยๆเจริญสติไปเรื่อย จนกว่าความทุกข์มันจะลดลงแล้วก็หรือหมดไปในที่สุดเท่ากับว่าทําให้เรามีชีวิตที่มีสาระแล้วก็มีคุณค่าดีซะ ก, กว่าที่เราเกิดมาแล้วไม่รู้จักตัวเองไม่รู้จักสติเลยเพราะฉะฉนั้นการนําเอาการเจริญสติมาใช้ในชีวิตประจำวันนั้นเท่ากับว่าเราไม่เสียทีที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ยิ่งพบกับพุทธศาสนายิ่งแล้วถือว่าเป็นสิ่งดี มีโอกาสแล้วก็โชคดีกูดบาย